พระรัตนตรัยในฐานะเครื่องนำเข้าสู่มรรคและเป็นที่รวมของการปฏิบัติตามมรรคหลักยึดเหนี่ยวเบื้องต้นของชาวพุทธคือพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตามปกติจึงถือเอาสารณาคมคือการถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะ ว่าเป็นเครื่องหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนและความเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้แต่พระโสดาบันก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยจึงเป็นข้อที่น่าศึกษาว่าความเคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็นข้อปฏิบัติหน้าโนใดอยู่ที่จุดไหนในการดําเนินตามมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา ความเคารพนับถือพระรัตนตรัยที่แสดงออกด้วยสารณคมสำหรับคนทั่วไปก็ดีความมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยของพระโสดาบันก็ดีเป็นเครื่องแสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าคุณธรรมที่เด่นสำหรับพุทธศาสนิกชนในระดับเบื้องต้นนี้ทั้งหมดได้แก่ศรัทธา เมื่อพิจารณาในระบบแห่งมัชิมาปฏิปทาเท่าที่อธิบายมาแล้วและเห็นได้ว่าศรัทธาอยู่หนส่วนบุพพภ า, พาคแห่งมัชิมาปฏิปทาโดยเฉพาะเป็นตัวเชื่อมบุคคลกับกัลยาณมิตรหรือปารโตโคสะที่ดีและมุ่งที่จะให้โยงไปสู่โยนิโสมนสิการโดยมีสาระสำคัญว่าให้เป็นศรัทธาที่นาไปสู่ปัญญาคือช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์มรรคข้อแรกที่เข้าสู่ตัวมรรคหรือมัชชิมาปฏิปทาเพื่อเดินหน้าต่อไปหลักนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระรัตนตรัยกับการดำเนินตามมัชชิมาปฏิปทาในฐานะที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำเข้าสู่มรรคนับว่าชัดเจนพอสมควรอยู่แล้ว แต่เพื่อให้หนักแน่นขึ้นควรพิจารณาตามหลักองค์ของความเป็นโสดาบันคือโสตาปติยังคะหรือหลักการพัฒนาปัญญาคือปัญญาวุฒิธรรมสี่ประการด้วยคือ 1. สัปปุริสัสังเซวะการเสวนาสัตบุรุษการคบหาคนดีมีปัญญา 2. สัตธรรมสวนณะการสดับสัตธรรมการฟังธรรมที่แท้เรียนรู้เรื่องที่ถูกที่ดี 3. โยนิโสมนสิการการทำในใจโดยแยบคายการใช้ความคิดถูกวิธีการรู้จักคิด 4. ธรรมานุธรรมะปฏิบัติการปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ การปฏิบัติธรรมถูกหลักความจริงธรรมะหมวดนี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเฉพาะอย่างยิ่งชื่อว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งโสดาปติผลจนถึงอรหัตผลดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะสี่อย่างเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมเป็นไป เพื่อประจักษ์แจ้งโสดาปติผลเพื่อประจักษ์แจ้งสกทาคามิผลเพื่อประจักษ์แจ้งอนาคามิผลเพื่อประจักษ์แจ้งอรหัตผลสอย่างอะไรบ้างได้แก่สับพบุริสัสังเสวะสัทธรรมัสสาวนะโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมะปฏิบัติ ที่เรียกโสดาปฏิยังคาแปลาตามนิยมว่าองคุณของพระโสดาบันเช่นที่สังยุตตินิยมหาวารวักที่เรียกปัญญาวุฒิธรรมแปลเต็มว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเช่นที่อังกุตรนิยจตุการนิบาศการเสวนาสัตว์บุรุษ ก็คือการมีกัลยานมิตรสัตบุรุษและการกัญญานมิตรอย่างสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าการเสวนาสัตบุรุษหรือการมีกัญยานมิตรนำไปสู่ประโตโคษะที่ดีคือการได้สดับหรือเรียนรู้สัจธรรมอันได้แก่หลักความจริงและความดีงามที่แท้เรียกง่ายๆว่าพระธรรม โยนิสโสมณสิการต่อพระธรรมและตามพระธรรมนั้นทำให้เกิดกุศลธรรมและปัญญาที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามเป็นจริงพร้อมทั้งทำให้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมายเมื่อปฏิบัติถูกหลักเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติก็ทำให้บรรลุผลคือประจักษ์แจ้งโสดาปติผลเป็นต้นจนถึงอรหัตผล ผู้ีปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพล์ขึ้นไปจนถึงผู้บรรลุอรหัตผลคือพระอรหันต์เป็นสมาชิกทั้งหลายผู้ประกอบกันเข้าเป็นชุมนุมพุทธแท้เรียกว่าสาวกะสงหรือสาวกสงหรืออริยสงซึ่งจัดเป็นสังฆหรือพระสงฆ์ในพระรัตนตรยัยโดยในย่านี้ เมื่อพิจรารณากิจที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยในการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็มองเห็นไดช้ชัดว่าเบื้องแรกรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยะาณมิตรและสดับเล่าเรียนทมคำสอนของพระองค์จากนั้นปฏิบัติต่อธรรมะด้วยโยนิโสมนสิการรวมครบสองขั้นตอนเบื้องต้นที่เรียกว่า บุพภ า, พาคัแห่งมัชชิมาปฏิปทาเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดความเห็นความเข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงก็ปฏิบัติธรรมนั้นต่อไปอย่างถูกหลักเป็นธรรมานุธรรมาปฏิบัติคือดำเนินในตัวมรรคหรือมัชชิมาปฏิปทาจนสำเร็จบรรลุอริยผลเป็นอริยบุคคลแล้วร่วมเป็นสมาชิกแห่งพระสงฆ์ และในฐานะเป็นอริยะบุคคลในสงนั้นก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นโดยทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรระดับรองลงมาจากพระพุทธเจ้าได้ต่อๆไปพร้อมนั้นสงฆ์ก็เป็นชุมชนหรือสังคมแบบอย่างที่รวมของผู้ปฏิบัติตามและผู้ได้รับผลจากหลักแห่งการมีพุทธกัลยาณมิตรและการดําเนินตามธรรมะมรรค า, ก, ากับทั้งเป็นแหล่ง แห่งการยานามิตรเป็นบุญยเขตที่เจริญงอกงามและเผยพแพร่ความดีงามแก่ชาวโลกอันหนึ่งการมีสงฆ์เป็นหลักหนึ่งอยู่ในพระรัตนตรัยเป็นเครื่องแสดงด้วยว่าพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ที่ดีงามยอมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่ควรร่วมกันทำให้ดีงาม ชุมชนหรือสังคมที่ถือเป็นหลักเรียกได้ ว, ว่าส่งนี้ทางด้านภายในจิตใจสมาชิกทั้งหลายมีภูมิธรรมที่ได้บรรลุเป็นเครื่องทารงรักษาส่วนทางด้านการดำเนินชีวิตภายนอกเครื่องทำรงรักษาได้แก่วินในความสามัคคีและความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยสรุปหลักการปฏิบัติ เพื่อบรรลุโซดาปฏิผลกับการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาและหลักพระรัตนตรัยเทียบกันได้ดังนี้หนึ่งสัพพุริ ส, สังเสวะเท่ากับมีกัลยาณมิตรเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นระดับสูงสุดสอง สัทธธรรมมสวนาะเท่ากับประโตโคสะที่ดีเท่ากับพระธรรม 3. โยนิโสมนสิการในที่นี้คือของหลักบรรลุโซดาปฏิผลเท่ากับโยนิโสมนสิการของการดาเนินตามมัชชิมาปฏิปทาเท่ากับกิจต่อพระธรรม สีธรรมานุธรรมปฏิบัติเท่ากับมัคเท่ากับเริ่มเข้าร่วมสองสำหรับธรมธ ร, มบธรมานุธรรมปฏิบัติคือธรรมานุธรรมปฏิปทาก็คือมัคหรือนิพพานคามินีปฏิปทามีที่มามากมายเช่นในกุตกาญิกายมหานิเทศ จากความที่กล่าวมาพอแสดงความหมายของพระรัตนตรยยัยยางรวบรัดได้ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าคือท่านผู้ได้ตรัสรู้ธรรมคนพบมรรคาแล้วบำเพ็ญตนเป็นกัญยาณมิตรองค์เอกทรงสั่งสอนธรรมชี้นำมรรคนั้นแก่ชาวโลกและเป็นแบบอย่างที่ยืนยันถึงความดีงาม ความสามารถและปัญญายาณที่มนุษย์จะฝึกตนศึกษาพัฒนาขึ้นไปให้ลุถึงภาวะที่ประเสริฐเลิศสูงสุดได้ 2. พระธรรมคือหลักความจริงหลักความดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงแนะนำสั่งสอนซึ่งผู้ศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ ให้เข้าใจถูกต้องตามจริงเพื่อจะปฏิบัติให้เป็นมัคและให้สําเร็จผลต่อไป 3. ประสงค์คือหมู่ชนผู้ปฏิบัติตามมัคและผู้สําเร็จผลซึ่งผู้ศรัทธามั่นใจว่าเป็นหมู่ชนหรือสังคมอันประเสรศิฐซึ่งควรสร้างสารรค์ให้เกิดมีขึ้นและซึ่งตนสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการปฏิบัติตามมรรคและการสำเร็จผลนั้นเริ่มด้วยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอย่างที่ปรากฏภายนอกคือวินัยความสามาัคคีและความเป็นกันลยาณมิตรต่อกันการมีกัลยาณมิตรก็ดีการโยนิโสมาสิการธรรมะก็ดีการปฏิบัติตามมรรคก็ดีจะเจริญงอกงามได้ผลดี ในสังคมที่ดาเนินตามคติแห่งส่งนี้พระรัตนตรัยเป็นสารณะคือเมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยก็เตือนให้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาดับทุกข์คือทำตามหลักอริยสัจโดยดาเนินในอริยวิถีดังที่กล่าวมาอย่างน้อยก็ทำให้หยุดยั้งจากความชั่วตั้งใจมุ่งทาความดี มีความมั่นใจหายหวาดกลัวและมีจิตใจเข้มแข็งผ่องใสในเวลานั้ น, น, น